หึงให้ฟังนะเป็นเรื่องของนักแสดงชาวฮ่องกงคนหนึ่งอาัตามาไม่เคยดูผลงานเขาหรอกแต่ว่าว่ากันว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อนะนะโจชิงฉือนะโจชิงฉื่อเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็อยากกันเขากับพี่สาวน้องสาวสามคนก็ อยู่กับแม่ตอนนั้นข้าอายุประมาณ7ขวบนะก็ลำบากมากเพราะว่าแม่ก็ต้องหาเลี้ยงลูก3มคนสิ่งที่แม่ให้ความสำคัญเนี่ยนอกจากการเรียนแล้วนะก็คืออาหารการกินแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาหารก็เป็นประเภทนะผัก น, นะ นานๆก็จะมีเนื้อมีปลามาให้ลูกเพราะลูกกำลังโตเวลามีอาหารประเภทที่มีเนื้อมีปลานี่โจชิงชื้อก็จะตักของที่ชอบนะกินพวกเนื้อกินปลาแล้วก็สองสางคำก็ออกไปเล่นแต่บยครั้งเนี่ย มีเนื้อมีปลาเนี่ยเขาก็จะเคี่ยวไม่กี่คำเคี่ยวแล้วก็คลายบนจานอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีของเขาที่ทําเป็นประจำนะเนะเคี้ยวพวกเนื้อหมูปลาเคี่ยวแล้วไม่กินนะคลายลงบนจานก็เป็นหน้าที่ของแม่นะเขื่อต้องเอาอาหารพวกนี้เนี่ยมากินแทน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 ไม่มีงานทำนะมาสองเดือนแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปยืมเงินคนมาซื้อซื้อน่องไก่มาให้ลูกๆโจยเฉเห็นน้องไก่ก็รีบคว้าเลยคว้าแล้วก็กินสองสาคำแล้วจู่ๆไอ้น้องไก่ก็หลุดมือตกพื้นนะเปื้อนแม่นี่โกรธมากเลยนะ ห้ามใจไม่อยู่แม่ก็ตีตีโจยิงฉื อ, อยังแรงเลยเพราะว่าอุตสาซื้อของดีมาให้ลูกนะโจยิงฉือก็ร้องไห้ตอนกลางคืนแม่ก็ต้องไปปลอบโจยิงฉือในการผ่ายไปสิกกบกว่าปีนะโจยิงฉือ ก, ก, ก็กลายเป็นดารามีคราวนึงก็รายการโทรทัศน์ก็เชิญโจยิงฉือกับแม่เนี่ยเหมรายการ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 จริงๆเนี่ยผมให้คุณค่านะของอาหารเนี่ยแต่ถ้าถ้าวันนั้นผมไม่ทิ้งน้องไก่นะแม่คงไม่กินหรอกนะตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยแม่ก็ชอบซื้อของดีๆมาให้พวกลูกๆ ก, กินและแม่ก็กินแต่พวกข้าวกับผักดองถ้าผมไม่ทำอย่างนั้นนะไม่เคี้ยวสอสำคสามคแล้วคายนี่แม่คงไม่กิน คงไม่ได้กินหรอกนะพวกเนื้อพวกปลา้วเนี่ยนะวันนั้นผมทำน้องไก่ตรนี่ตั้งปบตั้งใจเลยนะเพราะรู้ว่ายัางไงแม่ต้องกินแน่นะด้วยความเสดายพอจริงเฉยพอยงนี้แม่ก็ร้องไห้เลยนะพ่อไม่เคยคิดเลยว่าลูกเนี่ยจะจะมีความคิดแบบนั้นคือมีความคิดที่ห่วงแม่แล้วก็หาอุบายเพื่อจะให้แม่ได้กินของ ที่ ม, มีคุณค่าก็อันนั้นก็เป็นเป็นการเปิดเผยครั้งแรกนะของโจชิงชือ่อมาผ่านไป10ปีเนี่ยถึงเปิดเผยว่าที่มินิสายไม่ดีเนี่ยก็เพื่อให้แม่ได้กินเนื้อกินปลาบ้างนะกินไก่บ้างแม่ก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้ลูกของตัวเองเนี่ยที่นิสัยไม่ดีเนี่ยนะในเรื่องการกินอาหารที่จริงนี่เขามีจิต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 คนที่เราคิดว่านิสัยไม่ดีบางทีในจิตใจส่วนหรือเขาเพราะมีความดีเพรามีเจตนาดีแต่เขาแกล้งทําหรือเขาจะทาะําพื่ผลได้ก็แล้วแต่แต่บางครั้งเราก็มักจะตัดสินไปแล้วว่าเ้าไม่ดีหรือว่ามีพฤติกรรมน่ารําคาญอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะของผู้คนมากนะไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่วาไม่ว่าแม่กับลูก หรือแม้แต่สามีภรรยาหรือเพื่อนรุงงานมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสมมติว่าภรรยาชื่อกัญญาแล้วกันนะสามีชื่อเดชก็อยู่ด้วยกันมา10ปีแต่2 3สปีหลังนี่ก็ตัวกัญญานี่ก็มีปากเสียงกับเดชอยู่เป็นประจําเรื่องของเรื่องคือว่า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 ชอบโทรมาเช็คนะว่าตอนนี้อยู่ไห น, นเวลากัญยาได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ของสามีนี่แกก็จะใช่เห็นเบอร์แกก็ลำคาแล้วหงุดหงิดแล้วเอาอีกแล้วบางทีก็พอรับสายก็ตะคอกใส่แต่ว่าเดทนี่เขาก็ไม่เถียงด้วยนะเขาก็พยายามพูดดีแล้วเขาก็บอกว่ า, าก็ขอร้องว่าเวลา ไปทํางานนี่ยังไงก็ขอใกลับมากินข้าวบ้านนะจะกลับข้ามแค่ไหนเขาก็จะทําอาหารรอก็ขอแค่นี้แหละซึ่งก็ทําให้กันญาเนี่ยุดหงิดมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอยากจะกินข้าวเย็นกับเพื่อนอยากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะนะก็ต้องงดนะต้องกลับมากินข้าวบ้านบางทีกลับดึกหน้าสามีก็ยังรอ เขาก็ลาคาทาไมไม่กินก่อนนะวันหนึ่งเขาก็กัญญานี่ก็ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังด้วยทานองบนนะั้นนะเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วเธอรู้ไหมเคยถามเขาหรือเปล่าว่าทำไมเขาชอบโทรถามโทรมาถึงเธออยู่ทุกเย็นบอกว่าคำถามนี้ทาให้กัญญานี่อึงนะเพราะว่าเขาไม่เคยถามเดชเลยว่าทำไมถึงชอบโทรมาทุกวันนะ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 ทุกเชา้าตื่นเช้าเขาก็ไปทำสวนก็ทําสวนไม่ค่อยได้เจอภรรยานะกว่าจะเจอก็ค่าก็คิดว่าเนี่ยยังไงถ้าได้เจอกันตอนค่าก็คงจะดีนะเพราะตอนเช้าไม่ค่อยได้เจอค่าแค่ไหนก็จะรอนะจะได้พูดคุยกันได้มีเราอยู่ด้วยกันบ้างคําตอบนี้ก็ทําให้กัญญานีิอึงนะ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 มันหายหลังจากที่พนัก ง, งานทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดในห้องหาไม่เจอจริงจริงมันหายก่อนนั้นแล้วนะเพราะว่ามันหายตั้งแต่กลางคืนลวมันไม่ได้หายหรอกมันตกอยู่ข้างเตียงในซอกนีแต่ว่าดูอนุมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยต้องเป็นพนัก ง, งานทำความสะอาดนี่เอาไปอันนี้เราเป็นการสรุปด้วยตักกะด้วยการอนุมานหรือ สรุปพรลักษณะอาการน่าเชื่อถือยิ่งเห็นเขามีพิรุธนะเห็นเขามีพิรุธพูดก็มีพิรุธเดินก็มีพิรุธนะอันนี้ใช่แน่เลยอันนี้เราว่าเชื่อเพราะรูปลักษณะน่าเชื่อถือนะแต่ที่จริงมันเกิดจากอาคตินะพอคนเรามียอคติแล้วเนี่ยเห็นได้ยินมันก็สอดคล้องกับอคติของตัวเน้นพวกเราเนี่ยนะอย่าเพิ่ง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 ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์หนึ่ง น, น, นี้เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นพระที่ทุกวันนี้ก็เป็นที่ครบนับถือของชาวญี่ปุ่นมากชื่อชันทาคุอินนะชันทาคุอินเป็นพระเซนวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวชาวบ้า น, นที่อยู่ใกล้วัดเรียกว่าข้างวัดเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาพ่อแม่ของหญิงสาวก็ถามว่าท้องกับใคร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 พูดเพียงว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอไม่มีอาการโกรธอะไรเลยต่อมานะหญิงสาวคนนั้นก็คลอดลูกพ่อแม่ของหญิงสาวก็เอาทารกเนี่ไปให้ท่านนา ก, กุอินเลี้ยงวางแหม่ไวท้ที่อ่าต่อนหน้าท่านระบอเนี่ยอ่ลูกของเจ้านะเรียกว่าเจ้าเนี่ยลองอไปเลี้ยงนะท่านนา ก, กุอินก็ไม่ปฏิเสธ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 บนดาดินทาว่าร้ายบางทีท่านเดินผ่านบ้านชาวบ้า น, ช า, านชาวบ้านเจ้าของบ้านก็ด่าท่านท่านก็นิ่งแต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่ยังเข้าใจหรือเชื่อในความเป็นสูงท่านก็พยายามหาหาโน่นหานี这มาเพื่อช่วยเลี้ยงเด็กเลี้ยงอยู่ประมาณสองสาเดือนได้แม่ของเด็กอดทนทนไม่ได้นะสงสารเด็กด้วยสงสารท่านทาคุอินด้วย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 ก็รีบตรงไปหาท่านอากุิแล้วขอโทษขอโพยแล้วก็พูดชมว่าท่านอากุนินี่เป็นภาคที่ประเสริฐมากเป็นผู้ที่เสียสละนะเป็นผู้ที่ไม่ว่าจะถูกดินทาว่าร้ายก็ไม่โกรธนะก็ยังมั่นคงอยู่ในธรรมะโหสารเสริญใหญ่เลยนะท่านอากุยิก็เพียงแต่อตอบว่าอย่างนั้นเหลือ คือท่านคงเส้นคงวามากนะถูกด่าก็นิ่งสารเสรินชื่นชมท่านก็นิ่งและท่านก็คืนเด็กไปนะให้กับแม่และพ่อของทารกนั้นแลเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่บ่งชี้ถึงคุณสมบัติของท่านฮากุอินนะว่าเป็นผ้าที่ประเสริฐนะมีลักษณะที่เรียกว่าไม่ยินดียินร้ายใน ในสารเสริญแล้วก็คำนินทาแต่ในอีกด้านนี่มันก็สะท้อนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขนาดนี้ได้ถ้าหากว่าเพียงแต่แม่ของเด็กเนี่ยแม่ของหญิงสาวเนี่ยแทนที่จะโกรธแล้วไปด่าว่าท่านเพราะว่าได้ฟังข่าวนะจากลูกสาวว่าเนี่ยว่าท้องกับท่านอากุอินทนะ า, ากว่าจะ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 พูดเพียงแค่ว่าอย่างนั้นหรือเพราะท่านท่านรู้ว่าอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่ฟังนะแล้วเขาไม่เปิดโอกาสอธิบายแล้วก็ไม่ถามเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะสอนใจนะเออที่จริงเนี่ยต้องลองถามสักหน่อยนะพ่อแม่ของหญิงสาวถามสัว่าจริงหรือเปล่าว่าท่านเนี่ยนะไปทําลูกสาวท้องถ้ากุ้ยก็คงจะไม่ปฏิเสธนะก็คงจะพูดความจริงว่าเปล่าเลยไม่ใช่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 ถ้ามีสักคนนี่ลองไปถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงไหมเนี่ยนะมันก็คงจะไม่เกิดการสร้างบาปสร้างกรรมกับผู้เจ้านะนั้นเนี่ ย, นยในเรื่องของเอ่อในเรื่องของการดําเนินชีตนะในความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าเรานี่เอ่อจะต้องรู้จักทักท้วงความคิดอย่าด่วนสรุปนะต้องมีสติ ทักท้วงความคิดแล้ววิธีนึงก็คือการซักถามนะซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องบางทีเพียงแค่ซักถามก็ได้คาตอบแล้วนะแต่เพราะว่าไปเชื่อสรุปล่วงหน้าแล้วอย่างกันญานี้ก็สรุปล่วงหน้าแล้วเนี่ยว่าสามีนี่ระแวงนะอาจจะเรียกว่างี้เง่าจู้จีจ้งี้เง่าก็ได้นะหารู้ไหมความจริงนี่มันไม่ใช่เลย